อชามาต้องมี hike. นะเป็นย no ังไงบ้างนะปวดปวดกปวดกยืนปวดก็นั่งอะปวดก็นั่งแก็มีอิริยาบถให้เลือกนะ ใช่ไหมฮะมีดีปวดไม่ได้หรือปว ด, ว ด, วดววแล้วทำยังไงคืทนคนไปทำอะไรทนไปทำอะไรไหนนะครับ ต้องถามว่ามีใครไม่ปวดไม่เมื่อยม้ไม่มีอย่างอย่างเวลาอย่างเวลาการการทำกรรมฐานของเรากรทำกรรมฐานเป็นการเรียนรู้นะใช่เป็นการเรียนรู้เรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจการรุมผลก็ดี หมายถึงว่ก็เราเลาอดทนดูอดทนดูดูอะไรดูดูดูว่าเหตนาที่เกิดขึ้นเป็นเหตุกรที่ยั้นนใจจับเป็นเหตเพื่อให้เรายั้งได้นิดหนไม่ใช่ว่าผลิตอยากลุกก็ลุกใช่ไมั้อยากเปลี่ยนาณบก็เปลี่ยนคือการลดคนเพื่อเราจะได้เรียนรู้รียถึงแม้ังว่านั่ง ความปดความเมื่อที่เกิดขึ้นนั่งนานที่ไรความปดความเมื่อก็เกิดขึ้นท mm. ุกีนั่งนานที่ไรความปวดความเมื่อยก็เกิดขึ้นทุกทีใช่ไหมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะร่างกายเนาะมันก็ไม่เที่ยงใช่ไมครถึงมมันไม่มีของใครเที่ยงนะนั่งปุ๊บแล้วก็ขมที่ไปตลอดอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใช่อย่างเงี้ยมนก็สือมันเป็นเรื่องที่ให้เราได้ได้เรียนเรียนรู้ความจริงที่เป็นไป ทีเราก็อาจจะปรต้องหาถ้านั่งที่เราทําได้นั่งได้ก็เรียกว่ามั่นคงแล้วก็ยาวนานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเรียนของใช่มครับก็เรียนรู้เอาไว้เสือ่อเราเวลาเรานั่งก็จะได้นั่งภาวนาได้ยาวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ปวดไม่เมื่อยลำลื่นๆนะครับหรือเราเปเรา ก็เราหวังจะให้มันไม่ปวดไม่เมื่อยพอปวดก็ไม่ขึ้นมาล้วก็ทุกนะทุกอีกทุกกายแล้วยังทุกใจอีกตันหากก็เรียนนู้เรียนไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเพราะว่าสิ่งที่เราบอกว่าเราได้กลับมาพิจารณาผ่านการดูกายที่เคลื่อนไหวใช่ไหมฮะดูใจที่คิดนิดตรงนี้ ก็จะทําให้เราได้ไค่อยๆได้ข้อมูลข้อมูลที่มันเป็นเรียกว่าเป็นความจริงของกายเป็นตันเนองตัวเองแลับท่าทางบางอย่างนะว่าที่เราปรับท่าเมื่อเราลราปรับท่าท่าที่เรารู้สึกสบายขึ้นให้เรารลง เพ่อท <c oughs> หนนลับลับอยู่เนาะก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเวลาที่เราก็เหมือนกับเราก็เรียนรู้ไปอย่างเป้าหมายของการปฏิบัติของเราคือเราปฏิบัติเพื่อให้พวกเราน้อยลงใไหมครับพวกเราน้อยลงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไปเนี่ย ก็เราก็ลองปรับรลองปับดูวิธีไหนจะทำให้เราแล้วกใช้ความพยายามให้น้อยลงคือบางทีเราพยายามมากไปก็ทุกไปนใช่ไหมครับนี้ความพยายามมากไปกับความเพียรที่พอดีมันก็ต่างกัน ควาพยายามนั่งไปมือปีมก็แต่ว่ามือทีมมันก็ไปรีดจนไปนะหลวงพ่อขุนเขียนบอกว่าอย่าไปรีบมากนะอย่าไปรีบมากเวลาเวลาๆๆเรารีบมากไปอยากจะให้มันรู้ทุกทุกครั้งทุกทุกครั้งทุกทุกครั้งตรงตนี้ น, นั่นก็ไม่ใช่ว่าเราก็เหมนกับใจเรามีความอยากนะมีความอยากในใจมันก็คลุกไปแล้วนะ ก็จะมาบังคับให้กายทุกไปอีกเพราะฉะนั้นะะนั่นคือตรงนี้ว่าเวลาที่เราจะเป็นการยกมือสร้างจังหวะก็ดีหรือจะเป็นการเดินจมกลมก็ดีบางทีเราใช้ความพยายามมากไปบางทีเดินช้าอยากจะให้รู้ชัดชัดบางทีก็เดินเร็วอยากจะให้รู้เร็วเร็อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้าไปเร็วไปเราก็ใช้ความพยายามมากไปทงมงพราะนั้นก็่นคือตรงนี้ก็ค่อยๆปรับ ค่อยๆตับมาสู่สิ่งที่เราเรียกกันว่าระวางกายใจคลายวางใจสงบนะครับแล้วก็อันนี้คือไม่เคร่งไม่เจ้เายู่สังเกตคูอตรงนี้นะค่อยๆตับค่อยๆตับเราก็จะพ า, พาเรียกว่าผ่าการปฏิบัติของเราให้มีผลตรงความไม่ผุกจิตเกียรติผูกจิตเกียรต ไม่จะหนักแล้วไม่รับมีขึ้นดีกว่านช้าผิดคาดิดคาดแต่ว่ามีสมาธิสูขึ้นมันก็อย่างดีนะก็เหมือนกับเมื่อคืนที่ดูหนังนะชุดนี้ยคาดมาเสือมันจะกินลูกเสือมันก็ไม่ได้ทําตามความคิดเราชุดนี้ฮะคือความคิดกับความจริงมันจะไม่เหมือนกันเสมอเสอบางทีเราก็แบบชุดนี้ฮะ คิดไปล่วงหน้าเจ็บไหมฮะก็มันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เสียเวลาคิดไปเปล่าๆรอดูก่าเจ็บไหฮะเราก็จะเป็นแบบนี้นะเราคิดคิดนู่นคิดนี้ล่วงหน้าไปบางทีเราก็เรียกว่าวางแผนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเจ็บไหมฮะหลายๆครั้งเราลองสังเกตดูคิดไปก็เสียเวลาเปล่าเจ็บไหมฮะคือคิดไปก็ลบสมองเปล่าอะไ่างเงี้ยบางีเรื่องพนี้ฮะถึงได้บองว่า บางทีก็ให้เราหักหวางความคิดใช่ไหมครับรู้วิชิตก็ใช่ไหมครัรู้ว่ิชิตก็กลับมาอยู่กัรเื่อนไหยของกายรู้ว่ิชิตก็กลับมาอยู่กัรเลื่อนไใยของกายตรงเนี้จะเป็นสิ่งที่มันจะช่วยเรากําจัดความคิดที่เป็นส่วนเกินที่ไม่จําเป็นความคิดที่เราเรียกว่าลอกสมองนะฮะใช่ไหมครับนี่นะฮะคือตรงนี้มันไม่ได้ว่าใส่เอามาใส่ให้เรานะครับ มันเป็นการที่เราสร้างขึ้นมาเองมันมีงานวิจัยที่บอกว่าวันหนึ่งเราคิดตั 6, <laughs> <Excellent>. ้งหกหมืค <realistic> ร <breathing noise>. ั้งเจอมั้ยฮะใน6 0,000 ครั้งเนี่ยเป็นความตั้งใจคิดสักกี่ครั้งถึงพันครั้งจริงหรือเปล่าตั้งใจคิดถึงพันครั้งนะมากกว่าแล้วสองพันครั้งนะ้ไหมถึงไหม หมายถึงตั้งใจนะไม่ได้ว่าหมายถึงคิดคิิดดไปเองนะเราตั้งใจคิดจริงๆตั้งใจคิดจริงๆถึงไหมคะถึงพันละปางน่าจะถึงก็คิดอยตลอดเลยนะไหนนะคะก็คิดตลอดเลยนะไม่เราตั้งใจคิดตลอดเวลาหรือมันคิดไปเองไ็ค้ายๆมันพะวงเรื่องอะไรมันก็คิดคิดเรื่องนั้นจไปกำมาเราอยากไหมอยากอยากพะวงไหมไม่อยากไม่อยากเนาะ แสดงว่ามันคิดไปเองถ้าเราไม่ได้อยากมันคิดไปเองอย่างเงี้ยฮะเช่อมครับที่บอกว่าเป็น 60,000 ่นคั้ไม่ใช่แค่พันสองพันครั้งเป็นหกหมื่นบันเนี่ยเนื่อแบบคือคิดแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจเด็กคิเราไม่ได้ตั้งใจมันคิดไปเองมันคิดไปเองเช่อไหมครเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจทําให้ตัวเราเองวุ่นวายกับความคิดนะั่นเอ ไม่ได้ตั้งใจให้ตัวเราเองต้องเกิดปัญหางความคิดจะเป็นคิดไปเองพอคิดปุ๊บก็โควงพอคิดปุ๊บก็เป็นหัวชื่นไมครับพอคิดคุ๊บก็ยิ่งยากนัน ไ, ได้เกิดตรงนี้นครับว่าวางไปเลยความคิดตรงนี้นเราไม่ได้พั้งใจามันเกิดขึ้นมาก็ทําให้เราต้องเกิดผลรา้าเกิดขึ้นมาแล้วทําให้เราต้องเกิดผลรา้า ที่บอกว่าเมื่อวานหรือว่าคิดถึงว่าเวลานี้ก็ไปรับลูกใช่ไหมก็มอบหมาย้เพืออืดไปแล้วใช่ไหฮะก็มอบหมายไปแล้วคิดไฟก็ไปไม่ได้เสียเวลาไปเปล่าๆใช่หมฮะหนึ่งก็้งงเกิไม่ไเสียเวลาเลยาสรารว่าุกไปหลอกหลัง้ความทั้งชิดของาตรงนี้มันทำให้เราคุยด้วยนันนั่นคืตัวบาจางถึงได้รู้ว่า ควาคิดเนี่ยเป็นต้นเหตุของความคิดนั้นก็ให้เราเนี่จะใช่ไหมฮะรู้คิดกลับต่อไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เขียนจะใช้จะใช้คำคำว่าความคิดของเรามันอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าตั้งใจคิดอย่างหนึ่งเรียกว่ามันนักคิดคิดเอาเองใช่ไหมฮะคือคือมันคิดขึ้นมาเองให้ความตั้งใจคิดก็ดีนะใช่ไหมฮะ แต่สิ่งที่คิดขึ้นมาเองเ่ที่มันเป็นหลายๆลยหมืน่นฟังนี่แหละเพราะฉะนั้นก็นคืตรงนี้ถ้าเราลองดูนะครับมความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นมาก็วางไปเลยรู้สึกได้ไหมว่ากำลังคิดใช่ไหมฮะเป็นห่วงอยู่แล้วรู้สึกได้ไหมว่ากำลังใช่ไหมฮะคิดกังว น, นอยู่แล้ววางไปเลย น, ะ น, นับางไปเกลับมาอีกกคิดวาไหนนะฮะเรื่องเรื่องเนี้ย เกิดปัญหาอะไรแล้วเราคิดวางแผนป้องกันไว้หกันก็จริงๆคิดวางแผนก็ดีนะเป็นเรื่องที่ดีเินเกิดอย่างเงี้เราไม่อยากที่เกิดดีกแล้วก็วางแผนป้องกันไว้หนกันคือทนี้มาเราวางแผนแล้วเราได้ใช้ยากจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อยากดีก็แวางแผนเเราเราได้ใช้ มักจะได้ใช้ชิดมากกว่าที่ได้ใช้หรือว่าคือบางทีการวางแผนอย่างเงีบางทีเราก็อาจจะลองดูนะบางทีมันเป็นความอยากใช่ไหมฮะอาทิตย์หน้าบางแผนในรอบบ่ายนี้จะอ่านหนังสือหรือยังเจอไหมฮะดีไหมฮะเป็นไปในลักษณวางแผนเรื่องงานมากกว่า กาวางแผนก็ดีวางแผนก็ดีอันนี้ก็คือในในเสวนในเสวนของการวางแผการวางแผนที่ดีที่สุดนั่คือการวางแผนว่าเรานะครับแบบว่าจะตั้งใจทำงาน ด, ด้วยสติจะเป็นการวางแผนที่ดีที่สุดจนถึงขั้นหนึ่ ง, งคือแต่ถ้าหากว่าเราไปลงรายละเอียดมากเดี๋ยวเราจะพูดเกิดคนนู้นว่าอย่างนี้เดี๋ยเราจะพูดเกิดคนนี้ว่าอย่างนั้ น, ะ น, น, น, นไม่ต้องถามร เปลียปัจจัยมันไม่มีการคิดเอาเองนเช่นนี้ฮะเดี๋ยวเราจะเจอคนนี้ก่อนจะบอกคนนี้เดี๋ยวเราจะอะไรเด็กแนีไม่ใช่บแผนะฮะอันี้เขาคิดว่าเพื่อนว่ามันมันคิดคิดเอาเองเปลีปัจจัยมันยังไม่มาถงแต่าหาว่าอืเราจะเป็นเผชิญกับเรื่องราวต่างๆด้วยสติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจะเรื่องร้ายเรื่องดีเช่นนี้ฮะอย่างั้นอะไรเี่ยนะครับคือถ้าอย่างเนี้ยจะเรื่องบาดแผลร่างกว่า บางแขนตั้งสติรับสถานการณ์ใดๆเกิพื่อจะเป็นคำชมบางทีเราก็รับคำชมได้แตตั้งตัวนะฮะใช่ไหมฮะน้ำตาล่วงอย่างนี้ครับก็ตรงนี้นะครับเราแต่ก็มันก็มีแขนอย่างแขนตามตามั้มทดลองของการงา น, นใช่ไหมฮะ ตามคาลองของการงานอยนา่างเช่นว่าใช้ทำแผนสามเดือนแผน6เดือนแลก็ทำเป็ชนะช่ไหมฮะหนึ่งเดือนเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดามีเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นผู้โวยการฝ่ายควบคมาณของบริษัทใหญ่มากๆบริษัทหนึ่งผู้โวยการฝ่ายควบคมาณแล้วก็ก็ต้องทาแผนใช่ไหมฮะใช้ควบคุมาณวางแผนที่จะรับคน บุคลากรระดับนี้ระดับนั้นใช่ไหมฮะอะไรต่างๆนานาเพเข้ามาเสริมงานในหน่วยงานตัวเองนีก็เหตุปัจจัยที่บริษัทใหญ่ๆจะเกิดขึ้นก็คือจะมีคนขอมาเยอะใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็ขอคนนี้เข้าสักคนขอคนนั้นเข้าสักคนอะเงยก็ปรากฏว่าทุกปีนะฮะแผนที่ตั้งใหม่ก็เรียกว่า แทบไม่ได้ใช้ทั้งหมดแต่ก็ต้องทำนะใช่ไหมครับต้องทา <c oughs> มันก็เป็นเป็นหน้าที่นะใช่ไหมครับเป็นห น, น้าที่ที่ต้องทำแต่ส่วนเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นจะอะไรยังไงล้วก็วางใจใชบเพราะ <c oughs> ว่าสิ่งที่เราคาดกับสิ่งที่เป็นความเป็นจริงอิ่นันก็ไม่เหมือนกันหัก <c oughs> วางใจหนันวางใจว่าใช่ไหมครับ <c oughs> เราทาดีที่สุดแล้ว อะไรจะเกิดขึ้นก็นช่างเจอไหมฮะก็ดูไปตามสถานการณ์เมฮะมีเหตุมีปัจจัยอะไรที่เกิดขึ้นเราปฏิเสธไม่ได้ก็ใช่ไหมฮะปรับเปลี่ยนให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อย่างนถ้าเราตั้งสติเอาไว้ตั้งสติเอาไ ว, าว้ใช่หอ๊ะทำไมวางไม่อย่างนี้แล้วทาไมถึงได้ใช่ไหมฮะไม่ทำตามนั้นอย่างเงี้ยเอ๊อย่างนี้ก็ทะเลาะกันแย่ลยครับ ถ้าทาง น, นี้นจะไปปาดิยยนก็เราจะเราจะใช้ได้มากมาเราจะใช้ได้มากมากเพราะเราบอกว่าเร า, นะรรนะาเ น, นี่ยให้รับรู้กายที่เคลื่อนไหวใช่ไหมครับรับรู้กายที่เคลื่อนไหวปดยที่เรามีบาดแผลนะคะอันนี้เป็นบาดแผลใช่ไหมครับเหมือนท่องสุดคูนนะ ควมีการเสลื่อนไหวในการทํางานเราก็มีนะครับมีการเขียนหนังสือมีการเติมเหนือนีการอะไรก็เหมือนอย่างปกติอย่างเงี้ยมีการยกมือยกไม้อย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในรูปแบบไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เราที่เราทำตรงนี้เพียงแต่ว่ามันมีการเสลื่อนไหวเหมือนกันเจ่ถ้าจิตเนี่ยจดจำการเสลื่อนไหมได้มันก็จะมีสติไปกับการเสลื่อนไหวก็มีอย่างอย่าง ก็เรียกว่าปี่บัติจะมีตัวพยาบาลบมามามาปฏิบัติธรรมที่บ้านอู่บ่อยก็พยาบาลก็จะเดินไปเดินมาหาคนไข้ใช่ไหมครัส่วนใหญ่ก็การเดินก็หาคนไข้เพื่อเพื่อดูแลเพื่อดูแลบ้างตามร้องขอบ้างตามความโมโห บ, บ้างอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เลยก็ <c oughs> <c oughs> ตรวนี้ครับก็ เห็นบอกน่หลายคนก็ยังได้นะครับะจะมีท่านเวลาที่เหมือนกับลึกขึ้นได้ว่านี่เราเหมือนกับพอเวลาเก้าเท้าจะตกพื้นก็ระลึกขึ้นได้ว่าเองมีสติกับมาไม่ไปใช้อารมณ์ในคนไข้ไม่ไป่อะไรแบบนี้ก็ดีซึ่งตรงนี้ฮะมันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนแต่ว่าเรามีใช่ไหมฮะเราหัดใช้จิตเนี่ยเกิดจําการเตลืนไหวเอาไว้เราบอกว่านี่เนาะใช่ไหมฮะ เมื่อมีกายเคลื่อนไหวนะให้อาใจามารับรู้นะเมื่อมีกายเคลื่อนไหวออดใจามารับรู้นะใช่ไหมครับให้คิดที่เราบอกว่าคิดรู้ว่าคิดจะให้กลับมาก่อนรู้ว่าคิดใะให้กับมาก่นไอ้ความที่เราไม่อยากคิดก็คือคิดอยากโมโหคิดอารมณ์เสียอะไรต่างๆอะไรนั่นก็คือสิ่งที่เราไม่ต้องการใช่ไหมครับสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเพราะฉะนั้นก็คือตป็นเรื่ี่ว่าในเวลาที่เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนกระทั่งเราเคยชินใช่ไหมครับ ลู้วิิตก็กลับมาอยู่กายที่เคลอนไหวหมรู้วิิก็กลับมาอยู่กายที่เคลนไหใหม่ตรงนี้มันจะเป็นการที่เราเจะประมวกการปฏิบัติธรรมที่เรีกว่ากลรบมาฐเข้าไปกับการงานได้ดีบางทีเราเซ็นหนังสือเซ็เนเ็ไปใช่หมฮอยากให้เสร็จเร็วอย่างเงี้ยใช่หมฮะอย่างเงี้ยอย่าี้อยากให้เสร็จ เ, เ, เร็เวเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาให้เซ็จใหม่อยู่ดีเดี๋ยวมาลืที่ใหม่ให้เร็จใหม่อยู่ดี ใช่ไหมฮเป็นนนไม่คืออยากไปแคอย่างนั้นแหละใช่ไหมฮะเขียนเขียนไปธรรมดาไม่เกรงสบายสบายลายเซนต์วิทยาศาสตร์แต่งไว้เป็นดีแล้วใช่ไหมใช่ไหมฮะเขียนไปเป็นปกติที่เราเขียนมันไม่ไปไม่เกรงไม่อะไรก็ไม่ปุ๊บใช่ไหมฮะทางานไปเราก็จะได้เขียนในเวลาเราทํางานก็จะได้มีความเคลื่อนไหวก็จะได้ปรับมาใช่ไหมฮะดูสิ่งที่เราเป็น คิดไม่อยากทำหรือเงี้ยมันเป็นใจเงนะมันก็อยากได้เงินเดือนเราก็ต้องทำนะนะฮะลองดูนะฮะลองตรงนี้นะคิดว่าในในเสน่ห์ของการปฏิบัติธรรมระบหลวงพ่อเสียนจะประยุกต์ไปใช้กับการทำงานได้รเงี้ยไม่เป็นหรือดันเ้ยดันเ้ยใช้ได้มั้ย แล้วอย่างอย่างคุณเนาะอย่างเี้ใช่ไหมฮก็ทำโยมพระใช่ไหมฮะแล้วยังประยุกเอาใช่ไมฮะการเคื่อนไหวกายเคลื่อนไหยใจรับมือตุกตันกับเรื่องราวปกันมาลยดีไหมคัการเงินฝ่ายกันเลยนเหว่ามันได้จริงว่าเราเซนซิทีฟกับอารมณ์เรามากขึ้น อย่างเงี้ยพี่นโบรติกจะเคนขี้ค่ะแล้วอยู่ในสารแล้วบางีแบบแล้วบาทีแบบเจอเด็กแล้วมันจะแบบนาอะไรเงี้ยเราก็แบบคือมีทาใพนิึงะไม่ระเบิดตู้เหมือนแต่ก่อนแต่มันก็ไม่ได้ทุกครั้งพอดีในร้อนที่สามัญรือเาเออะไรเคมีติดต้องจะโดนแสงคือรม่ได้ รถฝากหน้าไม่ได้อะไรอว่าเลนเรานี่หรือว่าเขียนใส่บอกครับอกว่าาขับรถไนกรุงเทพน่้นน่าจะบรรลุทำง่ายเลยนะบอกว่ามันมีแก้วว่ามนมีสถานการณ์ที่แบบว่าจะทำให้เราได้กลับมาเชื่อไฮะได้กลับมา แต่เรารู้สึกตัวเนี่ยได้เยอะมันมีสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงตรงค่อนข้า ง, างริงเคียจในนานๆเหล่านีนน้ไม่เป็นไรอะไรก็ได้ข่างโม้บันเถอะอะไรย่เงี้ยถ้าเราทำแบบนี่ได้เราก็ไม่ทุกข์ละใช่ไหมฮะ ม, มฮะีที่ฮะที่แบบว่านะมันจะไม่มีสถานการณ์อย่างนี้ขับรถบนถนนไม่ดีใช่ไหมฮะไม่ดี ลูกสาวบอมอย่าอย่าอย่าพูดนะอย่าพนลูกสาวมคนหัวใจช่างหัวใไปลูกสาวเจ็งมากเลยเพราะว่าูกว่ารู้ว่าเดี๋ยวแม่น้องว่าจ้ามีไปมเชื่อนลก่นน้องกันก็ ลูกสาวตัวเล็กๆครับลูกสาวตัวเล็กๆครับขับรถไปได้วัก็ประสบว่าลูกสาวก็บจะผูกเชือกรองเท้าอ่ะคจะูกเชือกรองเท้าแล้วก็าวซีแม่บนบถบอกให้แม่สอนหน่อย้แม่สหน่อยอะไรเงี้ยให้แม่ว่าแม่ก็ได้ ลูกซาวซีหลายๆทปีก็ขวาตีลูกใช่ยู่ไปมครับเนียปฏลูกเสร็จแล้วเราใช่ก็เงียบลูกก็เงียบแล้วเราก็ดูสถานการณ์อย่างนั้นก็คจริงๆแล้วเนะนี่ยในในส่วนของเด็กใช่ไหมครับเด็กก็อยากเรียนรู้ใช่ครอยากเรียนรู้แม่ก็ แบบม่ใช่ว่าลำพังลูกถังแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรเงี้ยที่จะม่ให้นเอแม่ก็ไม่ไม่รู้ใจตัวเองนะจะไม่ทำแม่ก็ไม่ได้รู้สึกมากไม่รู้ต้องการอะไรอรเงีสอนมัก็ครั้งเดียวก็ไม่พอนะใช่ไหมฮะแม่จะต้องปอกแล้วปล่อยจิตนใชไหยแล้วปอยจิต่อยแล้วต่อดูแม่ก็หอมโหอดมร้อนใส่ลูกไปได้ไปเองเ็ื่อไม่เสียใจ แต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นสีที่เหมือนนนะถ้าเกิดเรามีสเต็ไฟไฟก็ยังได้ไฟระลึกถึงถึงลูกได้ถามแบ น, นี้เนี่ยเดี๋ยวพอหมดเรื่องนี้เดี๋ยวลูกก็ถามเรื่องใหม่จรแม่ <c oughs> ก็ไม่ได้ตอบทีเดี๋ยวก็ต้องตอบเรื่องใหม่งเช่นี้ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องพูด ก, กันทั้ ง, งวงันม่ต้องสอนกันทัง้งวันอยู่ดีย่งนี้ใไมฮะไม่ใช่ว่าสอนอันนี้จบแล้วมันจะจบไปทั้งโลกนี้ไม่ต้องพูด ก, กัน <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> ไม่ใช่นะคะในเรื่อนมันไม่คือเป็นปัญหาของตัวเราตวเราไม่อยากพูดไม่อยากพูดเพราะว่าไม่อยากตอบคำานี้อีกแล้วแต่ทีเดียวย <c oughs> ยต้องพูดอีกถีกจนนี้จนนี้เราจะต้องพูดอยู่ <c oughs> ดี เดาออกได้คือหมายว่ก็ลงมาพยายามว่าจะเลืไปหน่อยอะไรให้เ็เดินอะไรนะอะไรกจะอาจจะคางทีความอยากที่จะให้เขาหายไปเร็วๆบางทีมันก็รังเกียจก็อยู่นแบบนี้ก็บางทีเรื่องพวกนึ้มันก็เป็นเรื่องที่ ทีเราไปชอบไปชินกันใ่ไหมครเราไปชอบไปฉันก็เล็กอยากผัดใสบ้างใช่มครยบานประจำงานเราตรงนี้มันก็เป็นเหเป็นเป็นเท้าปุกที่มันเหลืออยู่นะค่อยๆค่อยๆดูค่อยๆค่อยๆค่อยๆอยู่กันเขาหาทางอยู่กันเขาลองดองกันนะลองดองกันเล่นเราหนาวลองดองเหมือนองเอเยองมันเอาั เราไม่ยอมเราจะเป็นแบบเป็นสี่งอยากให้ได้อย่างใจอยากให้ได้อย่างใจมันก็จะขึ้นมาในแงมุมนแ่มุมนนะเช่น่งใน่งที่สำคัญยิ่งถึพอเราสะสมด้ความอยากได้อย่างใจหลายๆหลายๆครังก็กลาเป็นเอาแต่ใจตัวเอง เจอแ้ใจเปอย่ที่โมโหที่สุดก็อย่างนี้การหยากได้ยังใจเป็นความเิเรื่อนชิดตบกอนเล่อนชิดตะบางก่อก็จะช่วยอย่างเรื่องคมโมโหอย่างำโมโหที่มันปรากฏมาเป็นขั้การก็เมื่อเราสะสมใช่หมฮะสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยถ้าเรารู้จักวางทีละเล็กทีละน้อย มันจะสะสมไปไม่ได้มากจนในน้ำ้ันก่อนเราไม่รู้จักวางนาะใช่ไหมฮะเราก็เก็บเก็บเก็บเก็บเก็บจนกระทัมันระเบิดแต่ด้านหลังว่าเราเนี่ยรู้จักทักวางนะมันก็แล้วรู้ได้คิดไม่พอใจแล้ววางไปใช่ไหมฮะวางไปวางไปวางไปมันไี่ดินระเบิดแตนี้มันจะไม่ถักแน่นอย่างทั้งระเบิดความโมโหมันจะน้อยลอารมณ์ที่เราเคยระเบิดออกไปมันจะน้อยลงสังเเกตดู ักวางรู้วิชิดวางไปต่อรู้ชิดไม่พอใจรู้วิชิดไม่น้อยวางไปต่อเจ่มั้ยครเมื่อก่อนเราก็เดี๋ยวเดียวอีกทีหน่อีกทีน่เดี๋ยวจะเอาให้น่าดูเจอมั้ยครเดี๋ยวเนี่ยอีกทางอีกทีนใ้นเนี่ยทุกครั้งเราอย่างเงี้ยมันองสะสมหยอดกระปุกไปเรื่อยๆมั้ยหยาดกระปุกความไม่พอใจไร้ที่ไร้เล็กีน้อยเจอมั้ยับในเรื่องท่แนี้ครเนี่ยอูบายที่บอกบอกว่ารู้วิชิดจับไปต่อรู้วิชิดจับ่อ มันจะไม่ทำให้หลสะสมครับความโมโหมันจะไม่ระเบิดกมนะครับเราทำเราทำตามเราทำตามก็จะเห็นไม่โมโหก็จะอาจจะอย่างที่บอกว่าอย่ที่ไม่จำเป็นบอกจะคิดว่ากรรมฐานจะทาให้เราหายโมโหบางทีใช่ไหมครับนี่ใชยแต่ว่าตรงนีมันจะเป็นการเปลี่ยนทิา่ัย นิสัยที่เราไม่ได้ทำตามอรรมชาตินี่เป็นนิสัยที่เราจะทำตามสติการเคลื่อนไหวของเราจะมีสติคอยดูแลคอยดูแลกายคอยดูแลใจแล้วเราแน่นอว่าจะดีขึ้นแน่ ตันเองท่ไส้มาทับกันครับ